สาปาจิตติยะว่าด้วยอาบัติปาจิตตีต้องอาบัตในเขตเดียวกัน476ถามอาบัตปาจิตตีทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมีเท่าไหร่ภิกษุพึงต้องในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังตอบอาบัตปาจิตตีทั้งหมด ที่มีวัตถุต่างกันมี5ภิกษุพึงต้องในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังถามอาบัตปาจิตตีทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมีเท่าไหร่พิษุพึงต้องในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังตอบอาบัตปาจิตตีทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมี9 ภิกษุพึงต้องในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังวิธีแสดงอาบัตถามอาบัตปาจิตตีทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมีเท่าไหรอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักตรัสไว้แล้วภิกษุพึงแสดงด้วยวาจาเท่าไหรตอบอาบัตปาจิตตีทั้งหมด ที่มีวัตถุต่างกันมีหอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักตร์ตรัสไว้แล้วภิกษุพึงแสดงด้วยวาจาอย่างเดียวถามอาบัติปาจิตตีทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมีเท่าไหร่อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักตร์ตรัสไว้แล้วภิกษุพึงแสดงด้วยวาจ า, er าทเท่าไห ร, ร, าาร่ อาบัติปาจิตตีทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมี9ก้าอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงสักตร์ตรัสไว้แล้วภิกษุพึงแสดงด้วยวาจาอย่างเดียวถามอาบัติปาจิตตีทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมีเท่าไหร่ อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้แล้วภิกษุพึงแสดงระบุอะไรตอบอาบัติปาจิตตีทั้งหมดที่มีวัตถุต่างกันมีหอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้แล้วภิกษุพึงแสดงระบุวัตถุถาม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 ตรัสไว้แล้วภิกษุพึงแสดงระบุวัตถุยาวะตะติยากาบัตเป็นต้นถามเพราะสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตเท่าไหร่เพราะการกล่าวเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ภิกษุเคี้ยวต้องอาบัตเท่าไหร่เพราะโพชนะเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ ตอบเพราะสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสามเพราะการกล่าวเป็นปัจจัยต้องอาบัตหกภิกษุเคี้ยวต้องอาบัตสามเพราะโภชนะเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้าฐานะแห่งยาวะตะติยกาบัตเป็นต้นถามยาวะตะติยกาบัตทั้งหมด ย่อมถึงฐานะเท่าไรอาบัตมีแก่คนกี่พวกและอธิกรณ์มีแก่คนกี่พวกตอบยาวะตะติยกาบัตทั้งหมดย่อมถึงฐานะหาอาบัตมีแก่สหธรรมิกหและอธิกรณ์มีแก่สหธรรมิกหวินิจฉัยเป็นต้นถาม วินิจัยมีแก่คนกี่พวกการระงับมีแก่คนกี่พวกบุคคลกี่พวกไม่ต้องอาบัตและภิกษุย่อมงามด้วยฐานะเท่าไรตอบวินิจัยมีแก่สหธรรมมิกห้าการระงับมีแก่สหธรร ม, มิกรหไม่ต้องอาบัตและภิกษุย่อมงามด้วยสามฐานะ อาบัดทางกายในราตรีเป็นต้นถามอาบัดทางกายในกลางคืนมีเท่าไรอาบัดทางกายในกลางวันมีเท่าไรภิกษุเพ่งดูต้องอาบัดเท่าไรเพราะบินทบาทเป็นปัจจัยต้องอาบัดเท่าไรตอบอาบัดทางกายในกลางคืนมีสอง อาบัตทางกายในกลางวันมีสองภิกษุเพ่งดูต้องอาบัตกองเดียวเพราะบินทบาทเป็นปัจจัยต้องอาบัตกองเดียวภิกษุที่สงยกวัดเป็นต้นถามภิกษุเห็นอานิสงส์เท่าไหร่จึงแสดงเพราะเชื่อคนอื่นภิกษุถูกยกวัดตรัสไว้เท่าไหร่ ความประพฤติชอบมีเท่าไรตอบภิกษุเห็นอานิสงส์แปดอย่างจึงแสดงเพราะเชื่อคนอื่นภิกษุถูกยกวัดตรัสไว้สามพวกความประพฤติชอบมีสี่สิบสามข้อมุสาวาดเป็นต้นถามมุสาวาดถึงฐานะเท่าไหร่ ที่ตรัสว่าอย่างยิ่งมีเท่าไรปารติเทสนยะมีกี่สิกขาบทและการแสดงโทษของบุคคลกี่พวกตอบมุสาวาทถึงฐานะ5ที่ตรัสว่าอย่างยิ่งมี14สิกขาบทปาติเทสนิยะมีสิบสสิกขาบทและการแสดงโทษของบุคคลสพวก องค์ของมุสาวาตเป็นต้นถามมุสาวาตมีองค์เท่าไรองค์อุโบสถมีเท่าไรองค์ที่เอื้อต่อการเป็นทูดมีเท่าไรติดทิยวัดมีเท่าไรตอบมุสาวาตมีองค์8องค์อุโบสถมี8องค์องค์ที่เอื้อต่อการเป็นทูดมี8ดติดทิยวัดมีแด อุปสำปทาเป็นต้นถามอุปสัมปทามีวาจาเท่าไหรภิกษุณีพึงลุกรับภิกษุณีกี่พวกพึงให้อาสนะแก่ภิกษุณีกี่พวกภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณีประกอบด้วยคุณสมบัติเท่าไหร่ตอบอุปสัมปทามีวาจา8ปภิกษุณีพึงลุกรับภิกษุณี8พวก พึงให้อาสนะแก่ภิกษุณี8ดพวกภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณีประกอบด้วยคุณสมบัติ8ข้อความขาดเป็นต้นถามความขาดมีแก่บุคคลเท่าไหร่อาบัตทุลัจัยมีแก่บุคคลเท่าไหร่บุคคลเท่าไหร่ไม่ต้องอาบัติอาบัตและอนาบัตของคนทั้งหมดมีวัตถุอย่างเดียวกันหรือ ตอบความขาดมีแก่บุคคลผู้เดียวอาบัตทุลใจมีแก่บุคคลสี่พวกบุคคลสี่พวกไม่ต้องอาบัติอาบัตและอนาบัติของคนทั้งหมดมีวัตถุอย่างเดียวกันกรรมเนื่องด้วยยติเป็นต้นถามอาคาตะวัตถุมีเท่าไหร่ สงแตกกันด้วยเหตุเท่าไรอาบัติชื่อปัมาปฏิกาในศาสนานี้มีเท่าไรการทำด้วยยติมีเท่าไรตอบอาคาตะวัตถุมี9ก้าสงแตกกันด้วยเหตุเก้าอย่างอาบัติชื่อปัมาปฏิกาในศาสนานี้มีเก้าอย่างการทำด้วยยติ มีเก้าอย่าง